ภาวนาไปนะอย่าทิ้งเวลาหมดไปเรื่อยๆหลวงพ่อสอนหลักปฏิบัติให้เยอะแล้วนะอยู่ที่เราทำเองแล้วถ้วประมาท ก, ก็ไม่ทำไม่ประมาทขยันดูไปเรื่อยๆ ให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวภาวนามไม่ได้สมถะก็ไม่ได้เรื่องมิปสนาก็ไม่ได้เรื่อ ง, สสองทำมิจฉาสมาธิได้ตดูออกไหจิตมันเคลื่อนออกไปเอเราไปรู้ลมจิตมันเคลื่อนไปที่ลม ใหรูทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่นมาไม่เห็นยากอะไรเลยหัดสังเกตไปเรื่อยๆจิตมันวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยววิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดนะมันมันหนึ่ก็วนเวียนอยู่ไม่กี่อย่างจิตวิ่งไปดูเห็นคนอื่นเขาเดินมาจิตวิ่งไปอยู่ที่เขาละลืมตัวเอง ได้ยินเสียงูย่วิ่งไปฟังบางทีเห็นคนข้างบ้านเราพูดอะไรกันเบาๆอยากฟังจิตพยายามตะแคงหูฟังนะจิตอยากรู้อยู่เฉยๆไม่มีอะไระกระทบก็นีไปคิดหลงทั้งทั้งวัน ทำไมจิตต้องวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดเพราะมันอยากเราเคยเรียนตัณหาเรื่องตัณหาความอยากสามอย่างกรมาตัณหาความอยากมีอยากได้มาภาะวะตัณหาอยากให้มันคงอยู่วิภวะตัณหาอยากให้มันหมดไป อยากได้อะไรอยากให้อะไรคงอยู่อยากให้อะไรหมดไปก็อยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในปวดทพะในธรรมารมณ์ทั้งหกช่องทางนี้แหละที่เราอยากเวลาอยากดูรูปยังไม่เห็นรูปก็อยากดูรูปนี่คือการมตัณหา เห็นรูปแล้วอยากจะให้รูปเนี้คงที่อยู่นานๆอยากจะเห็นได้ตลอดไปเรียกว่าภาวะตัณหาเห็นรูปที่ไม่ชอบใจอยากให้มันหมดไปสิ้นไปเรียกว่าวิภาวะตัณหาแต่และช่องมันทํางานได้สามแบบอยากได้มาอยากให้อยู่อยากให้หมดไปรวมแล้วตัณหาก็มีสิบแปดตัวนะ ไม่ต้องตกใจหรอกค่อยหัดดูไปเวลากระทบอารมณ์นะก็จะอยากอย่างน้อนอย่างนี้ทีแรกมันอยากได้อารมณ์อยากเห็นเคยรู้จักไม่อยากเห็นนั่นแหละเป็นกรารมตัณหาตัณ ห, หาเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ความดินรนของใจก็เกิดเมื่อ น, นั้นเวลาเราอยากเห็นเนี่ยรู้สึกไหมจิตทุรนทุรายหรืออยากได้อะไรมารู้สึกไหมจิตทุรนทุรายเวลาเราไม่ชอบใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยากให้มันหมดไปสิ้นไปจิตก็ทุรนทุรายความดินรนของจิตเรียกว่าพบ พระพุเจ้าถึงบอกว่าตัณหาเป็นผู้สร้างภพเวลาจิตมันดิ้นนนแล้วสิ่งที่ตามหมาคือทุกข์พอจะมองออกไหมเวลาจิตมันดิ้นมันทุกข์แล้วมันน่าสังเวชนะเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นายใจกระทบอารมณ์ทั้งวันเลยแล้วความอยากก็เกิดขึ้นตลอดเวลาเลยจิตก็ถูกบีบคั้น ให้ดิ้นรนไปเรื่อยๆมันทุกขาระมาณมากถ้าคนจิตหยาบมองไม่เห็นว่ามันทุกข์มีสติคอยรู้เท่าทันใจตัวเองเรื่อยๆไปนะมันอยากเห็นรูปมันก็ทุกข์นะมันอยากให้รูปคงอยู่มันก็ทุกข์มันอยากให้รูปหายไปมันก็ทุกข์ มันอยากได้ยินเสียงมันก็ทุกข์นะมันอยากให้เสียงนี้คงอยู่มันก็ทุกข์อยากให้เสียงนี้ดับไปมันก็ทุกข์เรื่องราวทางใจก็เหมือนกันอยากได้เรื่องราวทางใจที่สนุกสนานที่มีความสุขตอนที่อยากให้มันก็ทุกข์ละตอนอยากให้ความสนุกสนานคงอยู่ความสุขคงอยู่เนึ่ยก็ทุกข์ การอยากให้มันดับไปพกะทุกอีกเพราะง้นความอยากเกิดขึ้นที่ไรความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีแล้วก็ความอยากเกิดทั้งวันเลยความยิ้นรนของใจก็เกิดทั้งวันความทุกข์ก็เกิดทั้งวันผู้มีสติมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อชีวิตนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความกระเพื่อใมใยของจิต ไม่ว่าอารมณ์จะดีจะวิเศษแค่ไหนก็ทำให้จิตกระเพิ่มไหวพอเห็นบ้างไหมอย่างเนี้ยพอดูได้ไหมเวลามีความอยากขึ้นมาใจก็เพื่อมแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งห้ามได้ไหมความอยากห้ามไม่ได้เกิดทั้งวันเหมือนใจเนี้ยกระเพิ่อมวันไหวอยู่ตลอดเวลา หาความสงบสุขไม่ได้สักทีวันใดสิ้นตัณหานะใจก็หมดความดิ้นรนหมดความกระเพื่อมหวั่นไหวใจเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงสันติคือนิพพานใจที่สิ้นตัณหาหจะถึงพระนิพพานเป็นสงบสุข มันไม่เหมืนสุขในโลกเป็นความสุขที่ดิ้นรนเราร้อนกระเพื่อมไหวความสุขของพันิพาณเป็นอีกแบบหนึ่งเลยคนละเรื่องกันเลยในความสุขที่เกิดจากความสิ้นตัณหาสิ้นความดิ้นรนของจิตสิ้นตัณหาเรียกว่าวิราคะสิ่งความดิ้นรนของจิตใจเรียกว่าวิสังขาร ไม่ยึดถือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายหลุดพ้นจากอาสวะที่ห่อพุ่มอยู่จิตเรามีเปลือกพุ่มคือตัวอาสวะกิเลสเป็นเปลือกพุ่มจิตเอาไว้ถ้าใครเคยเห็นจะรู้ว่าทุกข์จริงๆใครเคยเห็นจิตมีเปลือกพุ่มบ้างเคยไหมมันทุกข์หรือมันสุข ุข ท, ทุกแสนสาหัสเลยมันเหมือนติดคุกอยู่ไม่ต่างกับติดคุกเลยติดคุกยังมีวันออกนะเดี๋ยวก็อาภัยยโทษเดีนยอย่างน้อนอย่างนี้ลดโทษหรือรับโทษครบกำหนดก็หลุดออกมาแต่อสาาวะห่อหุ้มจิตไว้เนี่ยไม่มีวันหลุดเลยกี่ภพกี่ชาติก็ไม่หลุดก็เป็นทาตของตัณหาไปเรื่อย ถูกจองจําถูกขังเอาไว้ตลอดเวล า, าเราภาวนาเราเห็นจิตถูกขังอยู่หรือภาวนาแล้วเราเห็นจิตนี้กระเพื่อมบั่นไหวตลอดเวลาเราจะรู้ว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่โลกนี้มีแต่ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไป เง น, นแทนที่จะปล่อยเวลาหลงโลกไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะยามมามีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆจิตมีความอยากเกิดขึ้นให้รู้ทันนะจิตกระเพื่อมวั่นไหวดิ้นรนให้รู้ทันจิตเข้าไปยึดอันโน้นอันนี้นะก็รู้ทันไปจิตทุกข์ขึ้นมาก็รู้ทันไปถ้าภาวนาเข้ามาจนเราเห็น จิตนี้ถูกบีบคั้นตลอดเวลากับเพื่อมันไว้ตลอดเวลาทุกอยู่ตลอดเวลาถ้าภานาเห็นอย่างนี้แล้วมันจะไม่มีที่อยู่แต่เดิมเราปัญญาเราไม่ถึงเวลาเราเห็นรูปอันนี้แล้ว เ, เราทุกเราก็หนีไปดูรูปอื่นหรือเราอยู่ใน้พอันนี้นะพบมนุษอย่างนี้ อยู่ไปมากๆแล้วทรมานไม่มีความสุขคนฆ่าตัวตายหนีจากภพนี้ก็ไปอยู่ภพใหม่แต่ไม่สามารถหนีความทุกข์ได้เพราะไปอยู่ที่ไหนก็เอาจิตที่มีกิเลสไปด้วยเงี้ไม่มีทางหนีทางจะพ้นจากภพมีทางเดียวคือรู้ลงมาให้ถึงจิตถึงใจตัวเอง จนกระทั่งสิ้นตัณหาสิ้นตัณหาเมื่อไร่ก็สิ้นภพเมื่อนั้นสิ้นภพเมื่อไหร่ก็สิ้นทุกเมื่อนั้นพบคือความดิ้นรนของจิตะพูดหลายรอบแล้วแต่พอพูดถึงพบพวกเราก็ยังมีใจขมวดขึ้นมาอีกนแปลไม่ออกใจเราดิ้นรนได้สามแบบนะดิ้นรนไปทางชั่วก็ได้ดิ้นรนไปทางดีก็ได้ ดิ้หลนไปทางหนีการกระทบอารมณ์ก็ได้ค่อยเรียนไปนะค่อยเรียนจากของจริงวันในเห็นความจริงโลกนี้ไม่น่าพิสมัยอยีกต่อไปแล้วศูนย์กลางของโลกก็คือจิตของเรานี่เองเพราะจิตนี้ไม่มีความสงบสุขที่แท้จริงจิตนี้จะไปอยู่ในภพภูมิใด ก็ทุกข์อยู่ที่ภพภูมินั้นทั้งสิ้นเละไม่มีทางรอดเลยงันไม่มีช่องให้หนีนะงั้นเจริญสติเจริญปัญญาไปด้วยมันเห็นจิตใจเราท่องแท้มันคือก้อนทุกข์เห็นท่องแท้มันวางเห็นยังไม่ท่องแท้ก็ยังไม่วาง จะเห็นท่องแท้ได้ก็ต้องดูบ่อยๆธรรมะของพระพุทธเจ้าเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยเรื่องของตัวเราเองล้นวนๆเลยไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องปริศนาธรรมะเป็นปรัชญาอะไรงี้ไม่ใช่ทั้งสิ้นน เ, เป็นความจริงที่ตรงไปตรงมาที่สุดเลย เมื่อไรอยากเมื่อนั้นทุกเนีไม่มีทางเลี่ยงเป็นอย่างอื่นเลยพวกเราต่างหากไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้ถ้าเราใส่ใจเรียนรู้ จ, จิตใ จ, ใจตัวเองไปเรื่อยเราจะเห็นในเวลาไม่นานเลยอยากเมื่อไรทุกเมื่อนั้นอยากทีไรก็จิตก็เกิดดิ้นรนขึ้นมาทุบตัทุบตั บ, ตตบขึ้นมาข้างในเกิดเพิ่มขึ้นเกิดเพิ่มลง เราจะรู้เลยว่าตัณหามันร้ายจริงนะวิธีทำลายตัณหามีแต่เรียนรู้ทุกข์พระพระุทธเจ้าไม่ใช่มองโลกแง่ร้ายนะมองโลกแง่ร้ายก็จะบอกโลกนี้มีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีทางออกเนี่ยฝักเราปวดหูแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าชี้ว่าโลกนี้มีความทุกข์นะ แต่ก็มีทางที่จะออกจากความทุกข์ได้มีสติไว้อ่านจิตอ่านใจตัวเองไปเรื่อยคุณงามความดีอะไรที่มันไม่เคยมีมันก็จะมีขึ้นมาศีลไม่เคยมีมก็จะมีขึ้นมาเนี่ยอ่านจิตใจตัวเองเรื่อยไม่เคยมีศีลมันก็จะมีศีลขึ้นมา ไม่เคยมีสมาธิมันจะมีสมาธิขึ้นมาไม่เคยเกิดปัญญามันจะเกิดปัญญารู้ถูกเข้าใจถูกในความเป็นจริงของรูปนามขันห้ากายใจนะในคุณยามความดีพอเต็มนะเต็มจิตจะหลุดพ้นจากอาสวาะกิเลสที่ห่อหุ้มอยู่ขั้นแรกไปหัดดูก่อนนะใจเรามีความอยากเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นไปดูอย่างนี้เรื่อยๆ ดูให้ชำนิชำนานวนได้ภาณาขานะให้ดูลึกลงไปอีกทำไมถึงอยากอยากเพราะวิชาไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจเราคิดว่ารูปนามกายใจเป็นของดีของวิเศษถ้าเห็นความจริงแล้วมันคือทุกข์ พอรู้ทุกมันจะละสมุทยัยละตัณหาเองทันทีที่สิ้นตัณหานะเนี่ยจิตก็หมดความดินน้นรนเข้าถึงความสงบสุขคือนิโรธเข้าถึงความสงบสงบจากกิเลสตัณหาทั้งหลายสงบจากความปรุงแต่งดิ้นรนทั้งหลายของดีของวิเศษใจนี้มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีถ้าเราภาวนาเข้าถึงวันหนึ่งแล้วก็เข้าถึง ความสะอาดหมดจดนะความสงบความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนนี้ได้อันนี้เป็นความจริงแท้มีมาแต่ไหนแต่ไรคนทั่วไปไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านคนพบขึ้นมาพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างธรรมะขึ้นมานะธรรมะเป็นของประจำอยู่อย่างนี้มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าแค่คนพบเท่า น, นั้นเอง ว่าวิธีที่เราจะพ้นจากความทุกข์ได้เราต้องละตัณหาได้เราจะละตัณหาได้เราต้องละความหลงผิดได้หลงผิดในความเป็นจริงของรูปของนามว่ากายนี้ใจนี้แท้จริงแล้วคือตัวทุกข์ถ้าไม่เห็นตัวนี้ยังไงก็ยังเกิดอีกเางเราเห็นว่าร่างกายเราเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างใจก็จะเกิดความอยากอยากให้มันสุขอยากให้มันไม่ทุกข์ เราเห็นจิตใจของเราแต่ปัญญาไม่ถ่องแท้เราเห็นจิตใจของเราเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างใจถ้าจะเกิดความดิ้นรนเนะอยากมีความสุขอยากให้มันไม่ทุกข์เนเะพอไม่รู้จริงเนะใจมันจะเพิ่มดิ้นรนนะถ้ารู้แล้วมันก็เลิกดิน้นรู้จะดิ้นทําอะไรรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติตันหาความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีก เงนเวลาละสมุทัยนะละชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นองตรงที่ปัญญาแจ้งได้มาเวลาอริยมรรคเกิดเป็นโลกุตรปัญญาเกิดขึ้นเกิดชั่วขณะจิตเดียวนะไม่ใช่เวลานานหรอกแวบเดียวเท่านั้นเองยากไปไหม ยากก็ต้องเรียนถ้าง่ายเลยไปเรียนทำไมละ่ะอย่างหลวงพ่อนะภาวนาได้ยินครูบาอาจารย์ท่านสอนกันพุทโธพียนักกายอะไรหลวงพ่อมาดูร่างกายดูแป๊บเดียวก็ระเบิดหมดแนละ้วรู้สึกจืดง่ายเกินไปสมาธิมากๆทกานันดูเข้าไประเบิดหมดนะ ไม่ไม่สะใจเจ้าหลวงปดูลสอนให้ดูจิตนี่หมุนสะใจจริงจิตนี่มันวิจิตวิสดาจริงทำงานได้สิบสี่แบบจิตแต่ลพัทเลยแล้วก็จิตดีๆก็มีจิตชั่วๆก็มีจิตไม่ดีไม่ชั่วก็มีนะจิตเป็นสุขก็มีจิตเป็นทุกข์ก็มีจิตเป็นอุเบกขาก็มีมันหลากหลายไปหมดเลย เี่พวกเราค่อยๆฝึกไปแเรามีจิตสี่สิบห้าสิบอย่างมีไม่เต็มเราไม่มีจิตของผู้ทรงฌานเห็นกิ่ชนิดก็เอาแค่นั้นอะอย่างเราเป็นคนขีโมโหเราเห็นจิตโกรธกับจิตไม่โกรธเห็นได้แค่นี้เขาแค่นี้ไม่ต้องดิน้นรนไม่ต้องรู้อะไรเยอะหรอก ยากไหมจิตโกรธรู้จักไหมแน่ใจนะจิตโกรธมีไหมไม่มีมีแต่จิตนะอันหนึง่งความโกรธเป็นอีกอันหนึง่งนะเพียงแต่มันเกิดด้วยกันมันดับด้วยกันนะความโกรธกิดจิตนะ่ ความลภ ก, กับจิตก็เกิดด้วยกันดับด้วยกันพร้อมๆกันไม่มีก่อนมีหลังเวลาดูจิตนะหัดที่ได้รู้สึกอู้อะไรว่าเยอะแยะไปหมดเลยมีอะไรแปลกๆมากมายหลวพอกับสนุกนะไม่ได้รู้สึกทรมานกับการปฏิบัติเลยรู้สึกสนุกกับการปฏิบัติมากเลย ขอไม่เคยเห็นก็ได้เห็นของไม่เคยรู้ก็ได้รู้ของไม่เคยเข้าใจก็ได้เข้าใจนั่นอัศจรรย์จะไม่รู้จะอัศจรรย์ยังไงสนุกในการที่จะได้เรียนรู้จิตตัวเองแต่พอเรียนรู้กายเนะี่ยไม่สนุกรู้สึกจืดกายนี้ไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนตัวที่ซับซ้อนคือจิตพอมาเรียน อะไรที่แปลกประหลาดเนะี่ยใจมันตื่นตัวสนใจที่จะเรียนตอนหัดทำสมาธิหัดพิจารณาร่างกายนะมีตัณหาซ่อนอยู่อยากได้มากผลเวลานั่งสมาธิก็อยากสงบแต่พอหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตเธอลืมความอยากไปเลยดูด้วยความรู้สึกสนุกสนานนะมีชันทะมีความพอใจที่จะดู กอมีฉันทาเกิดขึ้นวิริยะก็เกิดขึ้นเองพอใจที่จะรู้พอใจที่จะดูมีความสุขที่ได้รู้ได้เห็นดูจิตมันทำงานไปจิตมันพอใจที่ได้ดูมันก็จะขยันดูวิริยะก็จะเกิดขึ้นเราจะใส่ใจในการเรียนรู้จิตใจตัวเองคือจิตตะแล้วมันก็คอยศึกษา รู้เหตุรู้ผลนะเขาเคลียร์อยู่กับจิตใจของเราเรียนรู้มันไปเรื่อยเรียกว่าวิมังสาเมื่อเรามีชันทะที่จะรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไม่นช่เกิดวิริยะขยันเกิดความใส่ใจนะแล้วก็ไม่หนีไปไหนเขาเคลียร์คอยศึกษาไปเรื่อยอันนี้มันคืออะไรอะไรเงี้ยค่อยๆดูไม่ใช่คิดนะ ไม่ใช่คิดว่าสภาวะนี้คืออะไรอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดดูมันเข้าไปตรงๆเลยถึงจุดที่มันเข้าใจมันจะรู้เองว่ามันคืออะไรวัฏนพะาวะนี้คืออะไรสภาวะนี้ทําหน้าที่อะไรสภาวะนี้เมื่อทําหน้าที่แล้วมีผลเป็นอย่างไรมันจะเห็นเองแล้วก็ต่อไปเขาํานาญมากขึ้นดูซ้ําแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยไม่ต้องคิดนะ ถึงจุดสุดท้ายไม่จะรู้เลยว่าสภาวะอันนี้เกิดเพราะอะไรอันแรกเลยเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วเห็นสภาวะบางอย่างผุดขึ้นมาเ ใ, ใจก็จะดูไอ้ตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันทำงานยังไงถ้ามันทำงานได้มันมีผลยังไงอย่า ง, างตัวนี้ขึ้นมาวมันมาครอบใจเรา มีผลทำให้ใจเราเดือดร้อนเต้นเล่าๆขึ้นมาอ๋ออย่างนี้เรียกว่าโทสะชื่อไม่สำคัญนะเสร็จแล้วก็กดูไปด้วยมันเป็นของแปลกเราไม่เคยเห็นในสภาวะอย่างเนี้ยดูไปซ้าแล้วซ้าอีกวันแล้ววันเล่าอนะถึงจุดหนึ่งมันก็เข้าใจเลยโทสะไม่ได้เกิดลอยๆโทสะต้องมีเหตุถึงจะเกิด เราจะรู้เหตุของโทสะคืการกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเรามีอนุสัยที่จะมโมโหอยู่แล้วเนียไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจโทสะก็ขึ้นมาเนี่ยเวลาที่เราภาวนาดูจิต ด, ดูใจถ้าเห็นสภาวะอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้ น, นไม่ต้องไปคิดเอานะว่าคืออะไรดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจจิตหลวงพ่อโลดโผนมากนะ แค่เห็นว่าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับเนี่ยไม่พอรู้สึกเรียนไม่พอไม่เข้าใจแจ่มแจ้งต้องรู้ว่าสภาวะนี้เกิดขึ้นสภาวะอย่างนี้กับอย่างอื่นไม่เหมือนกันแต่ละอันมีสภาวะมีลักษณะเฉพาะของตัวเองลักษณะเฉพาะได้ว่าลักษณะพิเศษหรือวิเศษลักษณะสภาวะธรรมแต่ละตัวเนยจะมีลักษณะเฉพาะ แล้วเวลามันทำงานเนี่ยสุกกระทุกก็ทำงานไม่เหมือนกันผลที่ได้ออกมาก็ไม่เหมือนกันดีกับชั่วผลที่ได้ออกมาก็ไม่เหมือนกันโลบ ก, กับโกรธก็ไม่เหมือนกันแต่และตัวมีความแตกต่างสงบกับฟุ้งซานก็ไม่เหมือนกันค่อยรู้ไปเรื่อยนะเวลาอย่างถ้าจิตหลวงพ่อเนี่ยเห็นแค่ว่าสภาวะนี้เกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่พอ เห็นว่ามันทำงานยังไงก็ยังไม่พอเห็นว่ามันทำงานแล้วมีผลยังไงก็ยังไม่พอต้องเห็นถึงขนาดว่าอะไรมีอยู่สิ่งนี้จึงมีอยู่อะไรมีอยู่ความโกรธถึงมีอยู่อะไรหมดไปความโกรธถึงหมดไปต้องเห็นถึงตัวนี้รู้ถึงเหตุใกล้รู้ถึงเหตุใกล้กับมันรู้สภาวะนะ รู้หน้าที่ของมันรู้ผลจากการทำงานของมันรู้เหตุเกิดของมันสี่อย่างนี้มีศัพท์เรียกเฉพาะนะสี่เรียนนี้เรียกลักษณะที่จตุ ก, กะองค์ประกอบสี่ประการมีลักษณะเฉพาะเป็นต้นถ้าเราเข้าใจสภาวะ แต่ละตัวเนี่ยมันมีลักษณะสีออะอส่อย่างเนี่ยมีองค์ประกอบสี่อย่างเนี่ยถ้าเข้าใจแล้วเราจะเข้าใจจริงๆแล้วแล้วต่อไปสภาวะนี่ยจะมาหลอกเราอีกไม่ได้ละเรารู้ทันมันฟังดูเหมือนยากนะจริงๆไม่ยากหรอกหัดรู้หัดดูเรื่อยๆไปเดี๋ยวก็เข้าใจเองลวงปูดูลบอกการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ อ่านหนังสือมามากแล้วแต่อไปนี้อ่านจิตตนเองคำว่าอ่า น, นมีความหมายนะคำว่าอ่านหรือเห็นตามความเป็นจริงอย่า ง, งาเราอ่านหนังสือเราไม่ได้แต่งหนังสือเราไม่ได้วิจารณ์หนังสืออ่านนิยายสักเรื่องนิยายเป็นไงรู้ไปงั้นเดี๋ยวก็บทรักเดี๋ยวก็บทกโกรธเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวสมหวังเดี๋ยวผิดหวัง แทนที่เราต้องอ่านหนังสือข้างนอก เ, นเรามาอ่านใจตัวเองเหมือนอ่านหนังสือเลยเดี๋ยวก็ถึงบทรักเดี๋ยวก็ถึงบทโกรธเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวน้อยใจแข่งขึ้นแข่งลงไปเรื่อยค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปไม่ใช่ของยากเนยยากเพราะเราไม่ใส่ใจที่เราไม่ใส่ใจเพราะเราประมาท เรายังคิดว่าโลกนี่ยรอร่อยอยู่วัดใจตัวเองออกไหมว่าใจยังติดโลกอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์ดูออกไหมติดได้กี่เปอร์เซ็นต์ใจที่ยังติดโลกเนี่ยตัวออกไหมตัวเนี้ยใครดูได้บ้าง แล้วภาวนามามันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงมันจะต้องลดลงนะถ้าภาวนาแล้วเพิ่มขึ้นแสดงว่าภาวนาผิดแน่นอนเลยอย่างทีแรกเรารู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจริงจังไปหมดเลยในชีวิตเราเนี่ยพอภาวนามากขึ้นมากขึ้นแล้วเราเห็นโลกมันห่างออกไปใจเราเริ่มถอนตัวออกจากโลกตรงนี้เห็นบ้างไหมใจมันคลายออกจากโลก ยังไม่ละเอียดถึงขนาดวัดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ยังไม่เป็นไรหรอกนะใจมันคลายออกหรือเมื่อช่วงนี้มันโดดเข้าไปตะครุ้บกับโลกอีกแล้วเขารู้เท่าทันไปทําไมใจมันคลายออกจากโลกเพราะมันเห็นโลกไร้สาระถ้ามันเห็นโลกยังน่าสนใจอยู่มันไม่คลายหรอกทายังไงถึงจะเห็นโลกไร้สาระก็ดูความจริงของโลกสิจริงๆมันไร้สาระ โง่เองตัางหากเราไปหาว่ามันมีสาระเนะ่ะในโลกนี้มีอะไรมีสาระบ้างเราดูสิถ้าอยู่มันนานๆอย่างหลวงพ่อนี่รู้ไม่มีอะไรโลกนี้เหมือนความฝันเพลานจเองตอนเด็กๆก็ฝันสนุกสนานนะพอเข้าใจความเป็นจริงของโลกของชีวิตมากขึ้นโลกนี้ไม่ได้น่าสนใจอะไรเท่าไหร่ มันหลอกได้แต่คนโง่ให้มัวเมาให้ประมาทอยู่แต่มันหลอกผู้รู้ไม่ได้ผู้รู้บางทีอาจจะไม่ได้ฟังธรรมะมานะแต่ประสบการณ์ในชีวิตนี่ก็สอนธรรมะเราเหมือนกันอย่างชีวิตเราเนี่ยบางช่วงเรามีความสุขบางช่วงเราทุกข์ เ้านะบางทีเรานึกไม่ถึงแล้วก็พลัดพลาดจากคนที่เรารักบางทีเราก็ต้องเจอปัญหาชีวิตที่นึกไม่ถึงเนี่ถ้ามีสติมีปัญญาตามเรียนตามรู้ไปเรื่อยนะเราจะรู้เลยโลกนี้พึ่งพาอะไรไม่ได้เชื่อถืออะไรไม่ได้เลยเนี่ยธรรมะนะมันอยู่ในชีวิตจริงๆของเราทำไมคนแก่มองโลกแล้วจืดๆอะไรเงี้ย เพราะว่าจริงๆมันเห็นมาเยอะแล้วเห็นความจริงมาเยอะแล้วพวกเราทุกมากี่ครั้งแล้วทุกไหมหรือชีวิตนี้ไม่เคยทุกเลยถ้าใครชีวิตไม่เคยทุกเลยน่าสงสารที่สุดเลยยังห่างไกลธรรมามากไม่เห็นทุกไม่เห็นธรรมหรอกเห็นไหมรู้สึกไหมธรรมานี้มันเข้าสู่ใจเรามันเห็นทุกรู้สึกหม เรื่อมะจริงๆมปนเรื่องธรรมดาอย่างนี้แหละเราเองต่างหากไม่ยอมรับธรรมดาเราอยากได้อะไรที่ผิดธรรมดาอยากได้สุขถาวรสุขถาวรไม่มีหรอกนะความสุขถาวรไม่มีอย่างสูเรารักผู้หญิงสักคนหนึ่งเราไปจีบมาได้ความสุขจากความรักอันนี้ก็ไม่ยั่งยืนเท่าไหร่ แป๊บเดียวก็เปลี่ยนไปแล้วดังนันกระทั่งสิ่งที่เราหวยหาคือความสุขก็เป็นของไม่แน่นอนมันไม่น่านอนในทุกๆด้านทางด้านจิตใจเราเองก็เบื่อมีความสุขตลอดเวลาก็เบื่อหรือกระทั่งอย่างกินอาหารลิ้มรสได้รสที่ถูกใจมีความสุข ถ้าได้รถนั้นอยูตลอดเวลาเคลื่อนไสไปเลยไม่ไหวละวันมันไม่ได้กินอย่างอื่นเลยกินแต่ทุเรียนหมอนทองสมมตินะกินอย่างเดียวเลยนัต่อไปพอได้กลิ่นเท่านั้นนะจ่าเจียนแม้ตัวเราเองก็เปลี่ยนอารมณ์ภายนอกก็เปลี่ยนม่มีแต่ของที่เปลี่ยนแปลงทั้งนั้นเลยตัวเราเองก็เปลี่ยนจิตใจเราเปลี่ยน งั้นอย่างเราอยากได้ความสุขเนี่ยวัตถุแห่งความสุขหนึ่งผู้หญิงคนนี้เขาก็เปลี่ยนเห็นไหมจิตใจเราเองก็เปลี่ยนอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเจะเอาอะไรที่ยั่งยืนถ้าเรารู้ความจริงว่าสิ่งทั้งหลายไม่ยั่งยืนจะหิวโหยอยากได้มันมาไหมเหนื่อ ย, ยเกินเหตุเพื่อจะได้สิ่งซึ่งไม่ยั่งยืนมา ธรรมะเป็นของยั่งยืนนะภาวนาจิตเข้าถึงธรรมะมันร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงเลยค่อยๆสังเกตใจของเราไปอยากขึ้นมาก็รู้นะดิ้นหลนขึ้นมาก็รู้เป็นยังไงก็คอยรู้คอยอ่านมันไปพอไหวไหมง่าย เห็นไหมพูดมาไม่มีภาษาบาลีเลยง่ายๆเนะพูดให้ยากก็ได้นะเรียนให้เห็นนะให้รู้จักวิเศษลักษณะนะพอรู้จักวิเศษลักษณะแล้วก็เรียนรู้เรื่อยๆไปต่อไปก็จะเห็นสามัญลักษณะนะรู้จักไหมสามัญลักษณะสามัญลักษณะคือลักษณะร่วม ของสิ่งที่เป็นสังขารคือสิ่งซึ่งมีเหตุให้เกิดสามัญลักษณะเนี่ยเป็นลักษณะร่วมคืออนิจจังทุกขังอนัตตาความสุขก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาความทุกข์ก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวลักษณะร่วมนี้สามัญจลักษณะลักษณะสามัญลักษณะทั่วๆไปไม่ใช่สามานนะสามัญ สามานยลักษณะดูนะสภาวะแต่และตัวมีลักษณะเฉพาะเรียกว่าวิเศษลักษณะวิเศษก็คือพิเศษ น, นั่นเองลักษณะพิเศษลักษณะเฉพาะตัวและทุกตัวมีลักษณะร่วมกันคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนีสุกกระทุกไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าวิเศษลักษณะต่างกัน โลภ ก, กับโกรธไม่เหมือนกันเพราะว่าวิเศษลักษณะต่างกันไม่ได้ยากอะไรก็ค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปรู้เท่าที่รู้ได้นานไดไาภาวนาได้ไม่มากเห็นสภาวะได้ไม่มากเห็นได้คู่เดียวก็พอแล้วอย่ยวเราเห็นใจที่อยากกับใจที่ไม่อยากเห็นอยู่คู่เดียวก็พอละมันอยากขึ้นมาก็รู้มันหายอยากไปก็รู้แค่นี้ก็พอแล้ว ยากไหมเวลาอยากขึ้นมาเคยรู้ไหมยากไหมที่จะรู้เห็นจะยากเลยใส่ใจที่จะรู้มันก็รู้แหละไม่สนใจจะรู้มันก็ไม่รู้ก็แค่นั่นเองเลยยิ่งถ้าเรามีฉันทานะเรามีความสุขมีความพอใจที่จะรู้ว่ามันจะขยันรู้ดูได้ทั้งวันเลยนย่งหลบงพาอไปเรียนกับหลวงปู่ดูลยนเะพะท่านบอกให้ดูจิตเนาะขยันดู รู้สึกว่าเออทำไมเรามีจิตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทำไมเราไม่รู้จักเหมือนมันเป็นยังไงมันอยู่ที่ไหนมันทำงานยังไงเนี่ยเฝ้ารู้เป้าดูลงไปรู้แม่จิตเกิดจากอะไรตาโตเห็น ไ, ไหมเรื่องของตัวเองไม่เคยรู้เลย จิตเกิดเองหรือหรือพระเจ้าทำให้เกิดเรื่องของตัวเองไม่เคยรู้เลยเชื่อไหมว่าจิตเกิดจากวัตถุรู้สึกว่าน่าสนใจเรียนบาย้างยังเนี่ยวันนี้เทศแบบปจวปฏิบัติการจิตวิยา ทำให้อยากรู้อยากเห็นนะแทนที่จะอยากเป็นอยากได้อยากรู้อยากเห็นความจริงตัว น, นี้แหละมันจะได้ศึกษาได้ค้นคว้าเข้าไปอยากเป็นอยากได้ในี่ขี้เกียจปฏิบัติแต่อยากได้ผลนะอันแรกเลยก็รู้สภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานะ แล้วก็เห็นสภาวะทั้งหลายนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็ได้รู้ได้เห็นต่อไปก็ได้เข้าใจสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้เหตุดับสิ่งนั้นก็ดับค่อยๆพัฒนาใจให้มันฉลาดขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่อยู่ไปยิ่งแก่ยิ่งแย่ลงนะถูกกิเลสลากต่าไปถ้าพัฒนาไปด้วยนะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา ก็เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นมากขึ้นทุกข์ก็น้อยลงน้อยลงแหบลบดีนะจิตมันเกิดได้ไง้ต่อไปพวกอยู่วัดส่งกันบ้านวิธีทำสมาทาสมาสมาธินี่ทำยังไงฮะ พอผมนั่งแล้วมันจะเคลิ้ลมแล้วก็ลงรวังเยียบหายไปเลยมีสติไว้นะอย่าทิ้งสติอย่างเราหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวอย่าให้จิตถลำลงไปเพง่งไปจ้องอย่างบางคนรู้ลมหายใจนะจิตไหลไปจมอยู่กับลมหายใจพอสงบจริงๆเดี๋ยวก็เคลิมไปนะอย่าให้ขาดความรู้สึกตัว ลองนั่งให้หลวงพ่อดูซินั่งต่อไปนะทำไปแต่ว่าอย่าปล่อยให้ใจมันเคลิ้มขาดสติไปอักคนต่อไปสมาธิที่ฝึกก็ใช้ได้อยู่ดูจิตนี้เริ่มจากดูความรู้สึกก่อนหรือเปล่าครับดูจิตดูได้สองอย่างนะ อย่างที่ง่ายคือดูความรู้สึกที่เกิดกับจิตเราจะเห็นว่าความโกรธเป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้แต่เราอย่าไปสนใจตัวจิตนะแค่ความโกรธเป็นของถูกรู้แล้วเราเห็นว่ามันมีตัวหนึ่งเป็นคนรู้คือจิตถ้าหัดที่แรกเนี่ยหัดรู้ความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตการดูจิตพอถึงประณีตขึ้นไปอีกเนี่ยเราจะหัดดูพฤติกรรมของจิต S <S <an> <S จิตเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยก็วิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิน่นวิ่งไปรู้รสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดทางใจเนี่ยเห็นมันสลับช่องมันจะไปเกิดดับทางอายตนะทั้งหกจิตเกิดทางตาแล้วก็ดับจิตเกิดทางหูแล้วดับจิตเกิดทางใจแล้วดับถ้าดูได้อย่างนี้เรียกว่าดูเก่งละ่ะนี่ยถ้ายังดูเกิดดับทางอายตนะไม่ออกนะก็ดูความรู้สึกจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกเกิดแล้วดับ จิตดีจิตชั่วเกิดแล้วดับออ ด, ดูงั้นก็ได้พอละเอียดขึ้นไปมันจะเห็นน่าจิตมันเกิดดับอยู่ทางทางวารทั้งหกนี่เองหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดุล น, นะว่าจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนท่านมาให้ดูจิตดูจิตแล้วก็เลยสงสัยจิตตั้งอยู่ที่ไหนหลวงปู่บอกว่าจิตไม่มีที่ตั้งท่านพูดสั้นๆท่านั้นฟังแล้วงงเลยไม่มีที่ตั้งแล้วยัให้เราดูยังไง ที่จริงจิตไม่ได้มีที่ตั้งหรอกเพราะว่ามันเกิดตรงไห น, นก็ดับตรงนั้นในทันทีเลยเกิดที่ตาก็ดับทันทีเลยมันไ ม, ไม่มีตั้งอยู่ที่ตาหรอกเกิดทางหูแล้วก็ดับทันทีเกิดทางใจแล้วก็ดับทันทีเพราะนั้นจิตเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นแหละตลอดเวลาแล้วก็รวดเร็วมากนี่ถ้าเราฝึกจนดูจิตจนชานาญเราจะเห็นไลจิตเดียวก็เกิดที่ตาแล้วดับเกิดที่หูแล้วดับเกิดที่ใจแล้วดับ ถ้ายังดูอย่างนี้ไม่ได้ก็ดูไปจิตมันสุขก็รู้จิตมันทุกข์ก็รู้นะจิตมันดีก็รู้จิตมันชั่วก็รู้รู้ไปได้ๆก็จะเห็นเลยว่าจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีเกิดแล้วดับจิตโ <c oughs> ลภโกรนหลงเกิดแล้วก็ดับดูอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าละเอียดขึ้นไปจะขึ้นไปถึงธรรมานุปัสสนาจะเห็นจิตเกิดดับอยู่ทางอายตนะ ค่อยๆฝึกไปไม่ยากเลยหรอกสมาธิที่ฝึกใช้ได้นะพื้นฐานสมาธิดีอะต่อไปกราบนมสัส ก, การค่ะหลวงพ่อในขณะที่จิตของเรานี่รู้สึกว่ามีามจิตของเราไม่มีหรอกในกาที่ความรู้สึกความรู้สึกนี่โกรธแล้วก็ผิดหวังท้อแท้นี่นะคะมันจะดังขึ้นมาจนหนักจริงดูเข้าไปตรงๆรงเลยไม่ต้องนั่งแก้ค่ะแล้วมันจะเกิดแป๊บหนึ่ง ก็เราเห็นอีกคนหนึ่งที่เหมือนเราเป็นทุกข์อย่างเราเ อ, อ่าแล้วก็เราก็จิตเราก็จะสงบเราก็คิดว่าเราสงสารจังรู้สึกว่าเอ๊ะเราคิดไปเองหรือเปล่าอืให้รู้ว่าสงสัยนะดูปัจจุบันไปกําลังสงสัยเอาอย่างนี้เลยเอ้าต่อไปธ ร, รรมสการกับหลวงพ่อครับอาผมใช้อ่าพุโทโธเป็นบาทนะครับ อ, อืม ดูจิตแล้วก็น่วงจิตไว้แล้วก็ดั ก, กจิตนี้ผมมาถูกทาง น, นะครับทําอะไรนะน่วงจิตครับผมเป็นน่วงมันทําไมอะดวงเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านนะครับอันนั้นคือการทําสมถะนะครับถ้าเราจะเดินปัญญาต่อไปเนี้เราจะไม่หน่วงมันจิตฟุง้งซ่านรู้ว่าฟุงา้งซ่านเคยอ่านสติปัฏฐานไหมครับดูก ร, ราภิกสูทั้งหลายจิตฟุง้งซ่านให้รู้ว่าฟุงา้งซ่าน จิตโหดผูให้รู้ว่าโหดผูรู้อย่างที่เป็นแต่เวลาผมทาแล้วก็จิตก็ไม่ค่อยฟุ้งนะครับน่าสงสารนะจิตไม่ฟุ้งเลยจิตคงที่ไปเรื่อยๆนะไม่ดีนะรเราต้องให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่คงที่สักอย่างเลยทุก อ, อย่างเกิดดับแต่ว่าถ้าดูไปแล้วมันฟุง้งซ่านก็ค่อยทำสมถนะแต่สมถะไม่ใช่ทางเลือกสุดท้ายนะ งานหลักของเราคือการเจริญปัญญ า, าการดูความจริงของร่างกายของจิตใจนั้นแต่ถ้าจิตไม่มีสมาธิเลยไม่มีความสงบเลยก็ดูกายดูใจไม่ออกครับงั้นเราทําความสงบพอสมควรแล้วก็น้อมใจอันเนี้ยมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจครับดูลงไปว่าร่างกายที่กําลังนั่งอยู่เนี้ยไม่ใช่ตัวเราดูออกไหมอ่าดูการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับ ดูทั้งตัวเนี่ยตอนนี้มันกำลังนั่งอยู่เนี่ยรู้สึกไ่มไมันเป็นเราัรหรือมันไม่เป็นไปดูให้ดีเอะร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เราร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราความเป็นเราเกิดจากความคิดของตัวเองเท่านะั้นเองเนี่ยค่อยๆเรียนลงไปอย่างนี้ค่อยๆดูให้มันมีปัญญาให้เห็นความจริงว่ามันไม่ใช่เราเหรอก อย่างเนี่ยมือที่ยกมาเนี่ยรู้สึกไหมมือบอกไหมว่าเป็นเรารมือพูดไหมว่าเป็นเรามือพูดไม่ได้ครับมันไม่เป็นเราหรอกก็เคลื่อนไหวได้นะได้คเคลื่อนไหวไปแล้วเห็นมันเคลื่อนไหวเหมือนเห็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งอ่ะนะนะมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอกค่อยๆดูนะทาสมาธิแล้วก็มาดูกายอ่ะที่หลวงพ่อบอกนี่แหละ ดูไปทีละส่วนทีละส่วนแล้วก็ไม่เห็นว่าส่วนไหนเป็นตัวเราของเราเลยดูผมผมเราตัดทิ้งอยู่ทุกเดือนใช่ไหมต้องตัดอยู่เรื่อยเรื่ตัดออกมามันเป็นตัวเราเป็นของเราไหมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเรียกกรรมฐานห้าผมขนเล็บฟันหนังอย่างเวลาพระจะบวชเนี่ยอุปชาต้องสอเนเกสาโลมานะขาทันตาตจโจผมขนเล็บฟันหนัง ทำไมสอนพิจารณาร่างกายเริ่มจากผมกคนเล็บฟันหนังเพราะผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยดูง่ายที่สุดว่าไม่ใช่ตัวเราของเราอย่างผมเราก็ตัดอยู่เรื่อยนะบางทีเราก็กันชิ้วใช่ไหมผู้หญิงบางคนก็โกนชิ้วอะไรเงี้ยชิ้วหลุดออกไปแล้วเป็นเราไหมไม่เป็นอ่ะเล็บนี่นก็ตัดอยู่เรื่อยๆฟันเราก็หลุดใครยังไม่เคยฟันหลุดเลยมีไหมต้องพิสดารมากเลยแสดงว่าฟันน้ํานมยังอยู่ <laughs> เนี่ยผมกดเล็บกันหนังเคยหนังทะเลอกไหมหรือหนังด้านด้านแสเออกไปใครมีหนังด้านด้านมัง้งมีไหมไม่ใช่หน้านะหนังหนัง <laughs> ถ้าหน้าด้านด้านนี่แสยากหนังด้านด้านมัคือหนังลอดออกไปเนี่ยหนังเป็นเราไหมไม่เป็นละ่ะผมที่ตัดออกไปกรองไว้เงี้ยเป็นเราไหมไม่เป็นนะ เล็บที่ตัดออกไปเวลาไม่ไม่เป็นแ่ะเนี่ยดูไปทีละส่วนนะแล้วเห็นว่ามันไม่มีเราดูงี้ไปเรื่อยๆพอใจฟุ้งซ่านก็กลับมาทําความสงบใหม่อยู่กับพูดโทรอยู่อารมณ์หายใจอะไรก็ทําไปสลับไปเรื่อยๆนะอย่าสงบอยู่เฉยๆใช้ไม่ได้ต้องเดินปัญญาด้วยอ้อต่อไปผมเป็นคนใจลอยมากครับเป็นอะไรนะใจลอยใจลอย ใจ<ม>ลอย<ค> น, นี่เ็ตัวครับไม่เดียยแทนที่จะปล่อยให้มันลอยเวลาใจลอยมันจะไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เห็นไหมใช่ไห ม, ไหมบางทีมันก็ว่วางๆไปเลยเออยิง่งยิ่งลอยอย่างแสนสาหัสเลยลอยแล้วว่างๆไม่มีสติครับเงั้นเราหาเรื่องคิดให้มันคิดพุทโธไปท่องพุทโธในใจไปเรื่อยๆนะถ้าพุทโธมันสั้นไปก็พุทโธธรรมโมสังโฆก็ได้นะโมตัสสะพระภวะโตอะไรอก็ได้นะ ท่องไปเรื่อยๆเวลาใจมันลอยมันก็จะลืมท่องหรือแม่แอบท่องไปแต่ใจหนีไปที่อื่นเลยพยายามปลุกความรู้สึกตัวให้มันมากขึ้นมากขึ้นแต่อย่าปลูกจนกระทั่งจิตมันเกล่งขึ้นมานะแค่ว่าอย่าให้มันล่องลอยเกินไปเท่านั้นแหละพรุ่งนี้หลวงพ่อต้องไปเทศที่อะไรราชมงคลบพิตรพิมุก ทีแรกเขานิมนเทศตั้งแต่เก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงแล้วพ่อบอกไม่ไหวหรอกนกะ็เหลือเก้าโมงถึงสิบครึง่งเมื่อวานนี้โทรไปบอกอีกเอาชั่วโมงเดียวแหละนะมากกว่านี้หายใจไม่ทันและตอนนี้เริ่มหายใจไม่ทันและนะยังต้องกินสูรีดีไหมหม อ, อยังต้องกินอ่ะ ตกลงให้ฉันตัวไหนมั่งเลยเอ็ดเลอรฟักอะไรนั่นยูโคโซสามันหมอเจอกับหลวงพ่อบ่อยมากเลยนะหลวงพ่อคุยด้วยยังตื่นเต้นเลยวันนี้เท่านี้นะ ส่วนใครจะมีอะไรถามไปถามผู้ช่วยสอนมีตั้งเยอะเลย